อนันตีกับหม้อแห่งปัญญาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสมัยที่มนุษย์ยังไม่ค้นพบไฟหรือกีวีนในหมู่บ้านเล็กๆของแอฟริกายังมีทูตสวรรค์อยู่คนหนึ่งนามว่าอนันตีอนันต์ีเป็นบุตรชายของราชาแห่งท้องฟ้าผู้ยิ่งใหญ่ในแอมอนันซีเป็นคนอยากรู้อยากเห็นมากเขาชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอพ่อของเขาสังเกตเห็นสิ่งนี้ จึงตัดสินใจถึงเวลาที่ต้องมอบของขวัญชิ้นนี้แก่เขาหม้อแห่งปัญญาอนดันสีลูกรักการสวงขาความรู้ของเจ้าประทับใจพ่อมาพอตัดสินใจมอบสิ่งนี้ให้เจ้านี่คือหม้อแห่งปัญญาว้าวหม้อใบนี้จะสอนอะไรมากมายในชีวิตเจ้าแต่จำไว้สิ่งเดียวที่ต้องทำกับปัญญาที่ดีคือการส่งต่อมันอาดันซีที่ถูกสะกดโดยหม้อใบนั้น ไม่ได้ยินอย่างนั้นขอบคุณมากท่านพ่อข้าจะเก็บรักษามันไว้และเรียนรู้จากมันอย่างดีวันเวลาผ่านไปอนันตซีเรียนรู้สิ่งใหม่ใหทุกๆวันจากมอ้อแห่งปัญญาเขาลองสร้างสิ่งใหม่ใในทุกครั้งเยี่ยมมากข้าภูมิใจในตัวเจ้าดูสิข้าสร้างอะไรขึ้นมาท่านพ่อทำไมเจ้าไม่ไปแบ่งปันไอเดียนี้กับชาวบ้านแบ่งเครื่องนี้งั้นเหรอไม่มีทางอ่ะ นี่เป็นสิ่งที่ข้าสร้างขึ้นข้าไม่ยอมให้ใครใช้มันแน่นอกจากข้าสิ่งนี้ทําให้เนยแอมกังวลเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรและปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นไม่กี่วันอนันตสีก็เรียนรู้วิธีจุดไฟเขาดีใจอย่างมากและรีบส่งนกเรเวนไปบอกพ่อของเขาเพื่อขอให้พ่อมาที่พักของเขาเมื่อเนยแอมมาถึงเขาประทับใจมากที่เห็นแสงไฟท่านพ่อท่านพ่อข้าสร้างไฟ ข้างไหนที่พักนี้ข้าไม่ต้องอยู่ในที่มืดอีกแล้วข้าไม่ต้องกลัวว่าจะหนาวด้วยข้าจะทําให้ร่างกายของข้าอบอุ่นไปด้วยแสงในแอมยิ้มออกมาด้วยความภูมิใจเจ้าคงไม่รู้แน่ว่าสิ่งที่เจ้าทําสําเร็จที่นี่มันดีแค่ไหนการค้นพบนี้จะยกระดับให้มนุษยชาติเจ้าจะต้องไปแบ่งปันสิ่งนี้กับผู้คนเดียวนี้ท่านพ่อข้าค้นพบมันขึ้นมาด้วยตัวคนเดียว พ่อจะให้ข้าแบ่งปันความรู้นี้กับมนุษย์จอมขี้เกียจในหมู่บ้านที่ไม่ยอมลงมือทำอะไรสักอย่างอย่า ง, างนั้นเหรอในแอมแต่ลืงกับคำพูดของอนันต์สีมากเขาไม่สามารถทนเงียบได้อีกต่อไปอ น, นันสีพ่อเคยดีใจที่มอบหมอแห่งปัญญาให้กับลูกชายพ่อแต่ว่าตอนนี้พ่อรู้แล้วว่าพ่อตัดสินจใจผิดพลาดได้คืนมอให้พ่อด้วย พ่อจะเอามันไปให้คนที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นในโลกนี่ทำให้อนันต์ซีโกรธมากเขาลุกขึ้นและพูดว่าท่านพ่อข้าซ่อนมั่ไวในที่ที่ท่านไม่มีวันหามันเจอมันอยู่ไกลาจากหมู่บ้านของเราในแอมคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดขึ้นอ น, นันซีเจ้าไม่สมควรจะอยู่ร่วมกับมนุษย์จงจากพวกเขาไปซะ และกลับมาเมื่อเจ้าได้ตรนหนักถึงความผิดพลาดของตัวเองและบม้นั้นพ่อจะหามันให้เจอในไม่ช้าพูดจบนแอมก็หายตัวไปในอากาศท่านพ่อไม่มีวันเข้าใจเลยจริงๆผู้มนุษย์ไม่สมควรในหม่อใบนั้นข้าเจ้ามันไปซ่อนในป่าลึกที่ที่จะไม่มีใครหามันพบไม่มีทางอ น, นันต์ซีนำามอที่ซ่อนไว้ออกมาและออกจากบ้านไป หม้อแห่งปัญญานี่ควรเป็นของข้าและใครก็เอามันไปไม่ได้อั น, นันซีเดินเข้าไปในป่าลึกเขามองหาที่ที่เอาไว้ซ่อนหม้อจนทั่วแต่ก็ไม่พอใจสักที่ไม่นานเขาก็เริ่มเหนื่อยและกระหายน้ำาโอข้าหิวน้ำจังจะหาน้ำไดจากไหนนะนั่นใช่ไหมน้ำไหมใช่แล้วน้ำเย็นฉ่าเลยออ Whoa, whoa, whoa. ท้ายฝั่งแม่น้ำสูงชันและลื่นมากอั น, นันซีรู้สึกสับสนเขากลัวว่าหม้อแห่งปัญญาที่ถื อ, อยูจะหลุดมือไปแล้วข้าจะลงไปได้อย่างไงนะทึ้งยุ่งยากชะมัดเลยดังนั้นอั น, นันซีก็ได้ยินเสียงน้ำกระเซ็นเขามองไปข้างๆและพบว่ามีเด็กคนหนึ่งมองมาที่เขาและยิ้มให้เด็กน้อยผูกเถาวันไว้กับหม้อที่ทาจากใบไม้และโยนมันลงไปในแม่น้า เขาค่อยๆดึงมันขึ้นมาอย่างช้าๆหม้อเต็มไปด้วยน้ำจากแม่น้ำและมอบให้กับอารันซีอารันซีรู้สึกชอบใจมากเขาเดื่มน้ำในทันทีด้วยความกระหายออโอ้ขอบคุณมากเจ้าหนูกูกูอารันซีเงยหัวขึ้นอย่างงงๆน่าสนใจเอ่อแต่ขอบคุณอีกครั้งนะ ข้าต้องไปแล้วกูกูอ่ไม่เป็นไรอ น, นันซีหันหลังแล้วเดินออกไปไม่นานเขาก็สังเกตได้ว่าเด็กชายคนนั้นกําลังตามเข้ามาอ น, นันซีไม่ชอบใจเลยเข้ามาทําไมเละเจ้าหนูกูกูพอ่อไม่เอากูกูแล้วเจ้าต้องกลับไปชนเผ่าเจ้ากูกูอ๋ออ น, นันซีถอนหายใจแล้วเดินต่อไป เด็กชายค่อยๆเดินตามเข้ามาเหมือนเจ้ามนุษย์ตัวน้อยนีย่จะมีปัญหานะพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้มีกิ่งก้านมากมายและแผ่กระจายไปทั่วสารทิศมันคดเคี้ยวและเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการซ่อนหม้อแห่งปัญญาดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่เยี่ยมไปเลยสำหรับการซ่อนหม้อล้าค่าอนันซีตัดสินใจบินมันขึ้นไป ก็ถือม่ อ, ม อ, อไว้มือหนึ่งมือม่ออีกข้างใช้กอะต้นไม้แต่ว่ามันลื่นมากมเขากลัวว่าม่อจะตกไปตลอดเวลาจะยังไงก็ตามเด็กชายตัวน้อยรู้สึกสนุกมากกูกูมีอะไรเหรอแัน น, นซีหันไปมองเด็กชายที่กำลังถือเทาวันของต้นไม้อยู่เขาชี้ไปที่ม่อและททำท่าทีเหมือนจะให้ผูกมันกูกูอนนสซีรู้สึกขบขันมาก อ๋อนี่ต้องใช้ได้แน่เข้าไปที่ต้นไม้ดึงเถาวัลออกมาและทำตามที่คำแนะนำที่เด็กชายเป็นคนบอกจากนั้นเขาเริ่มปีนขึ้นไปโดยเด็กชายตัวน้อยมองอยู่อันดันซีปีนขึ้นไปจนถึงกิ่งที่สูงที่สุดของต้นไม้อ้ในที่สุดสถานที่ดีที่สุดในการซ่อนหม้อแห่งปัญญาไม่มีใครจะหามันพบแน่แม้แต่เจ้ามนุษย์ตัวน้อย อนันตีมองลงมาข้างล่างเขาพบเด็กชายตัวน้อยกําลังเกาะภูเขาทรายและกําลังร่างโคง้งร่างบนทรายเพื่อจะสร้างแม่น้ําอนันตียังเฝ้ามองเด็กชายเขาตระหนักได้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพราะม่เป็นคนช่วยเขาแต่เป็นเด็กชายคนนี้ตั้งหากเขารู้สึกละอายตัวเองที่ทําตัวโงๆหากมนุษย์ตัวน้อยนี้พอจะมีความฉลาดโดยไม่ต้องพึ่งม่อแห่งปัญญาข้าสงสัยจังว่าพวกมนุษย์ จะทำอะไรได้บ้างนะพวกเขาน่ะก็แค่ต้องการแรงบันดาลใจบางอย่างภูมิปัญญาบางอย่างที่ต้องแบ่งปันอนดันซีมองไปที่หม้อในที่สุดเขาก็ตัดสินใจได้สิ่งเดียวที่ควรทํากับปัญญาที่ดีก็คือส่งต่อมันใช่แล้วสิ่งที่ท่านพ่อพูดอนันซีลงมาจากต้นไม้และโยนหม้อลงไปในแม่น้ําสายน้ําเชี่ยวแล้วแรงมาก มันทำให้หม่อแห่งปัญญาแตกออกผู้ปัญญาทั้งหมดถูกแยกยายออกไปทั่วสารทาิศของหมู่บ้านเด็กชายตัวน้อยรู้สึกสับสนกูกูใช่ฉันรู้แล้วตอนนี้ฉันจะพาเจ้ากลับบ้านเองและในที่สุดอนันต์สีทูตสวรรค์ก็พร้อมที่จะเป็นอาจารย์ของมนุษยชาติเขาสอนวิธีจุดไฟสร้างเกวียนและวิธีการทาฟาร์มอีกด้วย เขาช่วยเหลือทุกคนและเล่าเรื่องราวให้เด็กๆฟังในขณะเดียวกันความรู้และภูมิปัญญาจากหม้อแห่งปัญญาที่กระจายอยู่ในน้าได้แพร่กระจายไปยังผู้คนทั่วทุกมุมโลกทำให้พวกเขาหลายคนฉลาดและมีปัญญามากขึ้นดังนั้นทำให้พวกเขาเริ่มเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกต้องขอบใจอเนนซีความรู้ได้กระจายไปกว้างไกลและได้สอนผู้คนหลายสิ่งหลายอย่าง นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีใครฉลาดไปซะทุกอย่างเพียงผู้เดียวและทำไมพวกเราถึงแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันถ้าหากมีสติปัญญารอบรู้เพียงผู้เดียวหรือความรู้ถูกเก็บไว้กับใครใครในใดคนหนึ่งโลกของเราคงจะไม่มีทางเติบโตดังเช่นเทียนที่ต่อไฟให้กับอีกเทียนหนึ่งความรู้จะเพิ่มพูนโดยการแบ่งปันไม่ใช่เก็บไว้คนเดียว โกโก